ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตแปลการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการมุมมองข่าวนะคะวันนี้พบกับดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินค่ะ แล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาบอกกล่าวกันนะคะสำหรับการเตรียมจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการนะคะของ e-payment ภาครัฐนะคะที่เป็นโครงการที่จะสามารถจ่ายเงินให้ได้นะคะพร้อมกันนะคะในเดือนมกราคมของปีหน้าโดยเรื่องนี้นะคะที่ผู้ดีกรมบัญชีกลางนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทั้งกรมบัญชีกลางได้ดําเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-payment ภายใต้ยุทธศาสตร์ National E-payment Master Plan โดยการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเทศนะคะโดยทั้งกรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะนำร่องจ่ายเงินนะคะให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะและเรื่องนี้ก็ได้นำร่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมนะคะที่จะจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อ, อปอทอนะคะในเดือนมกราคม ตามฐานข้อมูล 7,774 แห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระบบอุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมในเดือนมกราคมของปีหน้านะคะแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะคะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนค่ะและถ้าหากว่าเดือนใด น, นะคะวันที่10เป็นวันหยุดราชการก็จะจ่าย ในวันก่อนนะคะในวันก่อนหยุดนันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะที่ได้ออกมาบอกนะคะสําหรับเบี้ยยัยงชีผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการนะคะที่จะเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรงนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะช่วงนี้ฟังพเพลงจากรายการก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในข่าวต่อไปของรายการมุมมองข่าวค่ะ ฉันนั้นเองก็รับรู้ว่าในหัวใจไม่มีเราสองคนอีกต่อไปใจหนึ่งรู้ว่าไม่มีทางอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมรับปัดความจริงข้างในไม่อยากเสียใจไม่ต้องบอกว่าไม่รักกันแค่เพียงเก็บคำคำนั้นไว้ก่อน แต่ว่าฉันยังไม่พร้อมยอมรับความจริงรู้หูและเข้าใจอยากเพียงขอเวลาขอเวลาให้ฉันได้หายใจอีกครั้งหนึ่งเป็นแค่ภาพลวงๆที่เหลืออยู่ในความฝันว่ามีกันและกัน สุกล้นหัวใจไม่มีทางที่เราจะเดินต่อไปดังใจฝันเก็บคืนแล้ววันให้ผ่านปนไปไม่ต้องบอกว่าไม่รักกันแค่เพียงเก็บคำคำนั้นไว้ก่อน อย่าเอ่ยคำนั้นถึงที่ใจก็รับรู้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 RMIT moving towards innovative university ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวต่อไปนะคะในช่วงมุมมองข่าวนะคะก็จะเป็นข่าวจากประเทศอียิปต์นะคะที่ได้สร้างความฮือฮานะคะให้กับโลกเนื่องจากว่ามีการค้นพบนะคะค้นพบหลงศพโบราณนะคะที่ยังคงสภาพดี และมีสีสันลวดลายอย่างเด่นชัดค่ะโดยนะคะได้ค้นพบมานะคะเมื่อก่อนที่สัปดาห์นี้นะคะก่อนสิ้นเดือนนี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะเป็นการขุดค้นพบที่สุสารอันซาซิฟที่อยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายค่ะโดยถูกเรียงซ้อนทับกันสองชั้นในลักษณะที่ลงชั้นบนวางทับลงชั้นล่าง ในแนวขวางนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงโบราณคดีอียิปต์นายคาเลนอันอ น, นา น, นี่ได้ระบุไว้ว่าโลงไม้ไม่ได้อยู่ข้างในสุสานแต่ถูกฝังไว้ใต้หน้าผาของภูเขาอันอสสาสซาซีฟค่ะถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังและการขุดค้นพบก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะ และนะคะก็จะมีการนะคะเตรียมย้ายนะคะไปที่พิพิธภัณฑ์แกรนอียิปแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในปีหน้านี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าสร้างความหือฮาให้กับชาวโลกนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ข้างในสุสานนะคะแต่ถูกฝังไว้ใต้หน้าผาของภูเขาค่ะ ทางด้านนายมุสตาฟาวาซิรีซึ่งเป็นเลขาธิการสภาสูงสุดด้านโบราณคดีของอียิปต์ได้ระบุว่าโลงศพที่พบมีอายุราว 3,000 ปีโดยอยู่ในสมัยราชวงศ์ที่22ของอียิปต์โบราณค่ะสิ่งที่จะลึก อ, อยู่ด้านข้างแสดงถึงวัตถุหลายอย่างเช่นเครื่องบูชาและภาพเทพเจ้าค่ะรุมศพส่วนใหญ่ในสุาานสานอันซาซีฟอยู่ใกล้กับหุบเข่ากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสุสานในยุคปลายของอียิปต์โบราณนะคะคืออยู่ในช่วงราชวงศ์ที่26ถึงราชวงศ์31หรือในช่วง664ถึง332ปีก่อนคริสต์การค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่นี่ยังมีสุสานจากยุคราชวงศ์ที่18คือช่วง1550ถึง1292ปีก่อนคริสต์การซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของราชนาจักรใหม่ และมีฟาโรผู้โด่งดังอย่างเช่นฟาโมอาโมสที่หนึ่งฟาโรเฮเชบสุด ah นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ฟาโรทูสมสที่3ฟาโรอเมนโฮเทปที่สฟาโรอเคนาเทนและฟาโรตุตังคมูลค่ะนี่ก็ถือเป็นฟาโรนะคะที่หากว่าใครเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์โบราณนะคะก็จะคุณชื่อนะคะกับฟาโรนะคะ กระทรวงโบราณคดีของอียิปต์ประกาศว่านักโบราณคดีได้ค้นพบเขตุตสากรรมโบราณในแถบหุบเขาตะวันตกของเมืองลักซ์และสิ่งที่คนพบเรียนดังกล่าวรวมถึงบ้านที่ใช้เก็บและทำความสะอาดเครื่องเรือนสำหรับใส่ในหลุมศพโดยที่เครื่องปั้นดินเผาที่พบมีหลายชิ้นที่มีอายุในสมัยราชวงศ์ที่18นะคะก็ถือว่าเป็นการค้นพบ เรื่อยๆเลยนะคะในช่วง 2-3 สาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ w o r l d Economy Forum ได้จัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน Global Competitiveness Report ปี2019ค่ะแล้วก็ได้ระบุว่าปีนี้ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกก็คือสิงคโปร์นะคะโดย ปีที่แล้วก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเหตุผลที่ประเทศสิงคโปร์ขึ้นเบอร์หนึ่งนะคะแทนสหรัฐอเมริกาในประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนั่นก็เป็นเพราะว่าสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของถนนในประเทศประสิทธิภาพของท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าและสนามบินที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ เรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เข้มแข็งนะคะละเรื่องของความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิงคโปร์ก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศและพัฒนาคุณภาพทักษะทางด้านแรงงานในประเทศอีกจำนวนมากนะคะส่วนสำหรับสหรัฐอเมริกาที่ถูกโค่นจากเบอร์หนึ่งไปเป็นเบอร์สองก็เพราะว่าผลกระทบจากสงครามการค้า กับประเทศจีนและสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะก็ถูกลดอันดับจากอันดับที่38มาอยู่ในอันดับที่40นะคะเช่นเดียวกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นอินเดียและอินโดนีเซียก็ตกอันดับเช่นกันค่ะอินเดียจากอันดับที่58มาอยู่ที่อันดับ68และอินโดนีเซียจากอันดับที่45มาอยู่ที่50ค่ะ ค, คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศเล็กๆแต่มีอนาคตที่กว้างใหญ่ไพศาลค่ะ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University เราฟังเพลงพาพาผ่านไปนะคะเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการมุมมองข่าวนะคะก่อนหน้านั้นจะปิดเบรกดิฉันพูดถึงว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กแต่มีอนาคตที่กว้างใหญ่ไพศาลนั่นก็เป็นเพราะว่า ดัชนีชีวัดของสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสนะคะได้บอกว่าสิงค โ, โปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียสำหรับการดึงดูดความสามารถและการพัฒนาในยุคดิจิทัลค่ะโดยแสงหน้าประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอินเดียนะคะโดยดัชนีชีวัดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่ตีพิมพ์โดย Intrade ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสนะคะบอกว่าสิงคโปร์ได้ครองตำแหน่งประเทศที่ดีที่สุดของเอเชียในการดึงดูดความสามารถและการพัฒนาท่ามกลางยุคดิจิทัลถ้าวัดระดับโลกแล้วสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่2นะคะรองเพียงแค่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นโดยดัชนีที่ใช้ประเมินความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลกนี้นะคะเขาดูที่การ จเจริญเติบโตและการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาชีพนะคะสามอย่างด้วยกันก็คือนโยบายการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่นสูงระบบการศึกษาที่ดีและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีค่ะแน่นอนนะคะประเทศสิงโคโปร์เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกนะคะด้วยการสนับสนุนธุรกิจ SME ในประเทศ ให้ธุรกิจ SME ในประเทศนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงสนับสนุนแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นอยู่เสมอนะคะเขาจึงอยู่ในรนดับเรนกิ้งอันดับที่2นะคะโดยแซงหน้าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์รวมถึงจีนและประเทศไทยด้วยค่ะ ทางด้าน CEO ของสถาบัน Human Capital Leadership ชีฟนายซูเยงหวงนะคะบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์สามารถก้าวสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนอกจากการที่ทำให้ประเทศได้กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะคะทางด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนะคะสิงคโปร์ก็ยังถือเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะสหรับเด็ก ในการเจริญเติบโตนะคะโดยแซงหน้าประเทศทางแถบสแกนดิเนเวียที่เคยถือว่าเป็นประเทศที่มีาทางด้านการศึกษาที่ดีนะคะทำให้นะคะประเทศสิงคโปร์นี้นะคะถือเป็นประเทศที่หนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะโดย รายงานคุณภาพชีวิตเด็กประจำปี2018ซึ่งออกโดยองค์กร Save the Children ได้จัดอันดับให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งจากผลสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลก175ประเทศโดยมีดัชนีชี้วัดทั้งหมด8อย่างนี้นะคะพบว่านะคะอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุ ต, ต่ำกว่า5ปีอัตราการเจริญเติบโตของเด็ก การศึกษาและการลาออกจากโรงเรียนของเด็กอัตราการใช้แรงงานอัตราการแต่งงานในเด็กอัตราการตั้งครรภของแม่วัยรุ่นประชากรเด็กที่โยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากความขัดแยง้งและอัตราการเกิดอาชญากรรมในเด็กนะคะสิงคโปร์นะคะพบว่าผลการสำรวจนี้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุด ต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะควบคู่มากับสรโววิเนียนะคะได้คะแนนเท่ากันคือ987คะแนนนะคะส่วนนอร์เวย์และสวีเดนนะคะอยู่ที่985คะแนนนะคะฟินแลนด์นะคะได้คะแนน984คะแนนนะคะไอสเตรเและเนเธอร์แลนด์อยู่ที่981คะแนนและไอซ์แลนด์อิตาลีเกาหลีใต้อยู่ที่980คะแน น, นะคะ่ะ ซึ่งผู้อำนวยการขององค์กร Save the Children บอกว่าสิงค โ, โปร์เป็นประเทศที่มีสถานที่สำหรับเด็กในการเจริญเติบโตเพราะว่ามีระบบการศึกษาและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงตลอดจนมีความปลอดภัยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะแล้วอัตราการแต่งงานก่อนวัยอันควรความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาและเรื่องสงครามไม่มีนะคะหรือถ้ามีก็อยู่ในลาดับที่ต่ํามากนะคะ ส่วนดัชนีนะคะที่เหมาะแกบการเจริญเติบโตของเด็กนะคะหลายๆคนก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะประเทศไทยอยู่ในอันดับที่863นะคะคะแนนนะคะอยู่ที่863แต่อยู่ในอันดับที่85นะคะซึ่งก็เป็นผลการสำรวจของ Save the Children ค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังรัฐ บ, บาลสิงคโปโร์ยังจัดทำพาสปอร์ตเล่มแรกให้กับเด็กสิงคโปโร์ฟรีอีกด้วยนะคะโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปโร์ได้สานต่อนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนแต่งงานและมีลูกโดยประกาศว่าเด็กสิงคโปร์ที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2020เป็นต้นไป สามารถทำพาสปอร์ตเล่มแรกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะซึ่งปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ตจะอยู่ที่70ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1,550 บาท แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลสิงค โ, โปร์ได้ขยายอายุของเด็กที่จะได้รับสิทธิ์ทำพา ส, สปอร์ตเล่มแรกฟรีในปีนี้ด้วยนะคะโดยเด็กสิงค โ, โปร์ที่เกิดในปีนี้2019ก็จะได้รับสิทธิ์ที่ว่านี้ด้วยถ้าพ่อแม่เข้าไปสมัครผ่านทางออนไลน์ให้กับเด็กก่อนวันคล้ายวันเกิดที่จะมาถึงในปีหน้า น, ะะนี้ก็เป็นการกระตุ้นนะคะให้คนสิงคโปร์มีลูกนั่นเองนะคะเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยค่อนข้างจะแต่งงานชา้าแล้วก็ถึงแต่งงานแล้วก็จะไม่มีลูกไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีลูกกันนะคะทำให้รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยประกาศนะคะให้สิทธิตรงนี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังประกาศเพิ่มเติมให้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า6ปี ถ้าหากว่าทำพา ส, สปอร์ตนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสำนัก ง, งานตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใดนะคะผู้ปกครองสามารถจัดการแทนได้หมดเลยค่ะ แต่ถ้ามีอายุเกิน6ปีขึ้นไปนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสำนัก ง, งานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำการยืนยันตัวตนค่ะและคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกนะคะเนื่องจากว่าสามารถเดินทางเข้าไปประเทศต่างๆในโลกได้ถึง159ประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าค่ะประเทศไหนนะคะที่ เข้าประเทศนั้นๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะจาก State Time นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย